โกสเรดิโอสนับสนุนโดยวินเดอร์กัสก้ฝากง่ายจ่ายคลองการันตีการเงินร้อยเปรเจากเรื่องคุณเบลวิวเดเรามาปิดท้ายกันที่เรื่องนี้ครับเรื่องของคุณบอยครับคุณบอยฉีดปลวกจะมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่ได้รับฟังมาจากแม่ของเพื่อนตอนที่ ไปเที่ยวที่จังหวัดอุตรดิตครับคุณแม่ของเพื่อนไปเที่ยวที่จังหวัดอุตรดิตแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์นี้มาก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับคุณบอยฉีดปลวกฟังแล้วคุณบอยก็นำเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้กับพวกเราได้ฟังกันอีกทอดหนึ่งใช้ชื่อเรื่องว่าเมาดับชีพมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องสุดท้ายในข้ามคืนวันนี้กันครับสวัสดีครับคุณบอย สวัสดีครับพี่ชาครับผมคุณบอยฮะเราโอ้โหคิดถึงเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหคิดถึงพี่มากเลยครับโอ้เราไม่ได้คุยกันพักใหญ่ละคุณค บ, บอยสบายดีนะสบายดีครับทุงนี้งานเยอะมากงานเยอะดีแล้วฮะทํางานจะได้มี ม, มีมีเงินเยอะเยอะจะได้สบายสบาย <c oughs> นะใช้ครับได้<อ>คือเยอะเยอะแล้วมันอยู่กับเรา า น, นานมันก็ดีแต่เยอะแล้วมันก็ต้องมีอะไรหลายใจธรรมดาดธรรมดาออมีรายร<ใ>จ่ายมันก็ต้องมีรายรับใช่นะมาว่าถึงเรื่องนี้ปิดท้ายกันที่เรื่องนี้ครับเรื่องที่บอกว่าคุณบอยเนี่ยไปได้ยินได้ฟังมาไปรับฟังเรื่องนี้มาจากคุณแม่ของเพื่อนใช่ครับตอนที่ท่านเนี่ยไปเที่ยวที่จังหวัดอุตรดิตถนะเออไม่ใช่ครับคืออย่างเงี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเลยอื เออมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมกับเพื่อนอ่ะยกขบวนกันไปคือจะไปเที่ยวที่จังหวัดอุตรดิตครับ <S S 1> <amongst S 2> อ่าะพวกผมมาผูก <stadium. S 2> ผมกับเพื่อนเพื่อนอีกสี่คนรวมผมด้วยทั้งห้าคนไปเที่ยวที่จังหวัดอุตรดิตแล้วบังเอิญว่าเพื่อนผมคนเนี้ยอ่าบ้านเขาอะบ้านเกิดเขาอยู่จังหวัดอุตรดิตับ อ, uh. อ่าฮะก็เลยคิดว่าเออเราไปเที่ยวบ้านบ้านเพื่อนดีกว่าวแล้วก็ไม่ต้องไปพักไหนไกลก็ไปพักบ้านเพื่อนนี่แหละอ่าฮะก็ ก็ไปเที่ยวไหว้พระไหว้ที่ไปที่นู่นที่นี่ตามสถานที่สําคัญต่างๆนะฮะครั บ, รบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคือระหว่างไปเที่ยว่ก็ไปเจอกันมาเหมือนกันอนะครับคือปกติพวก้เพื่อนๆผ ม, มเป็นคนที่บอกว่าชอบชอบเรื่องแบบลี้ลับอะไรพวกนี้อยู่แล้วครับก็จะชอบไปสถานที่แบบเนี้ยตอนกลางคืนบ่อยๆนะครับแล้วหลังจากที่ไปเจตดีอะไรกันมาก็กลับมาบ้านนะครับที่บ้านเพื่อนซึ่งก็เป็นแบบ ใส่ๆอะอย่างนี้คก็เข้าไปที่บ้านแล้วก็อาบน้ำอาบท่ากินข้าวกันนะคะก็จะมีแม่เเป็นแม่ของเพื่อนนะครับแต่ก็พ่องเพื่อนแล้วก็มีหลานซึ่งเป็นลูกชายของพี่ชายเขานครับนะครับก็ อ, อยู่ทีนี้ก็นั่งคุยสักเทวละกันในครอบครัวนะครับเ อ, อบังเอิญว่าเพื่อนผมวันเนี้เขาบอกว่าเนี่ยแม่เนี้ย เพื่อนเพื่อน <c oughs> ผมชื่อบอยเขาชอบเรื่องลี้ลับเขาชอบเรื่องผีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะมีเรื่องเจอในอนี้บ่อยๆสมยัยตอนที่แบบยังทําที่นู่นที่นี่อย่างเงี้ยเขลองไปฟังทีนี้แม่บอกว่าหรอหรอเจอผีม อ, น, อ, อก น, มนกันหรอเจอสิ่งพวกนี้เหมือนกันหรออะไรเงี้ยผมก็บอกว่าเออผมก็เจอนะเจอบ่อยอแล้วบางทีมันก็อธิบายไม่ได้ด้วยว่าสิ่งที่เจอจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับอ่ะฮะทีนี้หลานหลานของเพื่อนผมอะเขาก็สะกิท อืมสกิดยาเขานะสกิดสกิดสกิดแบบว่ายายายาเรื่องนั้นน่ะเรื่องนั้นน่ะเรื่องนั้นน่ะอือมเพราะว่าเรื่องนั้นเรื่องนั้นเออพ่อกับแม่ของเพื่อนผมอ่ะเขาก็มองหน้ากันครับเอามองหน้ากันทีเพื่อนบอกว่าแม่เล่าเลยเรื่องเนี้ยโอ้โหเชสกหมาหอนอุ้ยมาหอนเลยเหรอครับเพิินว่าผมเล่าอยู่ตรงบ้านหลังเลย คือ จ, งจงังหวะจังหวะดีมากเลยนะครับจังหวะดีที่สทีนี้ออแม่กขาแม่เขาก็บอกว่าโอเคคือแม่มีเรื่องเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้ฟังซึ่งแม่ก็ไม่รู้ว่าเ อ, อจริงๆแล้วมันคืออะไรในสิ่งที่แม่เห็นอย่างเงี้ยพ่อกับแม่เขาก็านั่งนั่งทบทวนกันนะครับนั่งทบทว น, นสักพักแล้วแม่เขาก็เริ่มเล่าให้ฟังเ ข, า, ข, า, ขาบอกว่าอมันมีอยู่เดือนหนึ่งซึ่ง ทางอบตเนี่ยเขาจัดจัดงานเลี้ยงนะครับจัดงานเลี้ยงซึ่งมันเป็นงานงานเลี้ยงของในหมู่บ้านเนี่แหละนะครับคือต้องบอกก่อนว่าบ้านเพื่อนผมเนี่ยตั้งอยู่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับทางหลวงนะครับเป็นทางซึ่งเข้าไปในหมู่บ้านเขาซึ่งมันเป็นทางตรงแล้วมันจะมีไฟแบบนานๆจะมีไฟสักดวงหนึ่งนะครับและสองข้างทางคือจะเป็นทุ่งนาเลยออื คือจะมองไม่เห็นอะไรเลยก็จะเป็นแค่บ้านคนไกลๆก็บป็นคนอีกบ้านอาจจะมีบางจุดที่จะมีบ้านคนที่แบบอยู่เป็นกลุ่มกันครับนะครับแต่ไฟอจะน้อยบ้างแล้วทางหลนะเพิ่งทําเข้าไปนะครับสองข้างทางก็จะเป็นตุนน้งนาเขาบอกว่ามันมีอยู่เดือนหนึ่งเนี่ยทางอบตเขาจับเขาจัดการเลี้ยงแล้วก็ให้พวกคนในบูบบ้านเข้าไปเลี้ยงฉลองกันเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยบ้านอบตเขาจะต้องขับเข้าไปครับลึกเสร็จนู่นี่นั่นก็มันดึกแล้วเนาะดึกแล้วเขาก็กลับเข้ามา กลับเข้ามาที่บ้านแล้วก็มานอนพักเออด้วยความเงียบส ง, งัดนะครับ hmm. คืนนั้นแม่เขาพ่อแม่แล้วก็หลานเขานอนเขาก็หลับไหลไปครับ hmm. อ, อแม่บอกว่าในตอนกลางคืนที่ตอนนอนในคืนนั้นอนะอยู่ดีๆคือเหมือนวบบลมมันกันโชกแล้วฝนก็ตกฮึม hmm. พอฝนมันตกเสร็จแต่ตกไม่แรงนะครับตกแบบเบาๆอะ่ะครับอยงเง้ยได้ยินเสียงลมฝนอยู่ครับ hmm. <ๆ>แม่เขาได้ยินเสียงรถปอร์เช่อ่า รถมอเตอร์ไซค์เหมือนพวกอ่าพวกขับแบนนะพี่ขับแบนมามันเป็นเสียงไกลๆนะแอนอย่างเงี้ยท่อมันจะแหลมแหลมดังๆหน่อยใช่ใช่ครับมาไกลๆเลยคือฝนมันก็ตกนะแต่อย่างที่ไยินเสียงรถอยู่พอเสียงแอนพอมาถึงตรงบริเวณจุดหน้าต้านเนี่ยอยู่ดีๆรถมันล้มอ่าอะฮะพอรถมันล้มเสรทุ่มทุ่มอย่างเงี้ยแล้วเสียงก็เงียไปคือแม่เขาบอกว่า สงสัยคงจะมาเป็นผูมคุ้กันาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ไม่ไม่ได้ตื่นขึ้นมาดูว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อจากนั้นครับเพราะว่ามวงมากดึกมางแล้วก็อย่างว่าคือคนอายุมากแล้วนอนก็ไม่อยากตื่นอืนะฮะเขาก็หลับกันไปนะครับตุ้งเช้ามาคือได้ยินเสียงหวอได้ินเสียงอะไ ร, รสเสียงดังเต็มไปหมดเลยอยู่หน้าบ้านนะครับแม่เขาก็ตื่นพอตื่นเสร็จก็ขึ้นไปดูตรงหน้าตา่างคือห้องนอนเพาเปิดมามเป็นหน้าตา่าง ไม่มีวงลวดนะพี่จะเปิดตาหน้าต่างไม้เข้าได้ก็จะเห็นรถพวกรถมูลนิธิที่เป็นรถพยาบาลสองสองคัญนะจอดอยู่เลยจากหน้าบ้านไปประมาณเกือบเกือบห้าหกเมตรนะครับบ้านแม่บ้านแม่บ้านพ่อแม่เนี่ยคือเป็นบ้านที่มีโบดิเว้นนะครับลงจากตัวบ้านไปเนี่ยเดินออกไปอีกประมาณสักห้าหกเมตรก็จะเป็นประตูประตูลัระแสเป็นประตูเลื่อนยาวยาวอะไรเงี้ยครับ และพื้นก็จะเป็นพื้นทรายพื้นกรวดอะไรอย่างเงี้ยะ uh huh. เขาก็มองไปแล้วก็ปลุกพ่อปลุกพ่อนะครับแล้วก็ลงไปดูอนะฮะก็ uh huh. ผู้คนไปไม่หมดเลยมุงล้อมรอบปรากฏว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือมันเป็นรถเครื่องจักรพี่ครับคือมันเป็นรถที่เอาไว้ทํางานในกุ้ ง, งานาอคือผมก็ไม่รู้งั้นว่าเครื่องจักรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแต่แม่บอกว่าเอาไว้เอาไว้กลวนดิน ครับลากดินลากดินเป็นตามทางอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีแท่งเหล็กแท่งเหล็กยาวๆนะครับยื่นออกมาอฮเออแม่ก็บเอ๊ะทะลักไอ้รถคันนี้มันมีอะไรเขาก็เลยแหวกๆคนไปดูปรากฏว่าสิ่งที่เห็นก็คือไอ้แท่งเหล็กนั่นแนะมันยื่นออกมาแหละแต่มันมีล่างคนนะ่ะถูกเสียบอยู่ในแท่งเหล็กโอ้โหอ่าผมนึกภาพไอ้รถนี่ออกคือคล้ายๆรถลักษณะเอาไว้พลวนดินทําอะไรที่มันเกี่ยวกันในนาอมันจะมีเหมือนตัวคลาดที่อยู่ข้างหลังเป็นคลาดเหล็ก อ่ะฮะอ่ า, อาโอเคโอเคเนี่ยเขาเสียบเลยแล้วเข้าทะลุทะลุหลังเลยนะพี่แล้วเสียบและคาอยู่อย่างนั้นเลยครับอะฮะแล้วเลือดนี่ก็กองอยู่ที่พื้นเต็มไปหมดทีนี้พอแม่เขาเห็นแม่ก็เป็นลมเลยครับแม่ก็เป็นลมแม่ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรละทุกคนเขาก็ลากเข้าไปคือหลังจากนั้นพ่อก็เล่าให้ฟังบอกว่าทางบริษัทที่อ่ะก็รอรอตำรวจมาครับตำรวจมาทําสำนวนหรืออะไรสักอย่างนี่แหละ และหลังจากนั้นคือให้ให้พวกมูลนิธิช่วยกันนําศพออกมาเขาบอกว่าตอนนําศพออกมาเนี่ยคือเขาไปดึงคนดึงเสร็จคือมันลากโออ้ยเมันลากเนื้อในออกมาด้วยแล้วไส้ก็ทะลักออกมาฮเลือดก็พุ่งคือเลือดเหมือนว่าพอเสียบไปเสร็จเลือดมันยังตันอยู่แต่พอถอนออกมาเนี่ยเลือดพุ่งออเต็มพื้นไม่หมดเลยทุกคนก็รีบรีบหนีออกจากบริเวณนงฮะแล้วทางมูลนิธิประจัดการ แล้วก็นำศพกันไปแต่ทีเนี้ยนําศพไปได้อย่างเดียวนะครับ<ะ>ไอ้รถคันเนี้ยมันยังไม่สามารถออกออกจากพื้นที่ไปได้เพราะว่าต้องรอช่างครับอะฮะรถเนี้ยมันเสียอยู่อ<ะ>มันก็เลยจําเป็นจะต้องจอดอยู่นั้นครับ<ะ>เขาก็สรุปสัม น, นวนว่า อ, อ๋อสงสัยรถคันเนี้ยยังจอดเสียอยู่<ะ>ในกระดาที่ทางมันมืดกันไปครับ<ะ>ฝนตกนะครับแล้วสําคัญก็ น, นั่งผู้ชายเนี้ย ที่เสียชีวิตคือของเมาด้วยเขาบอกว่ามีมีมีแอลกอฮอล์ในร่างกายก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็วฝนตกด้วยก็เลยโทษนะฮะชนเข้าไปที่รถที่จอดอยู่ใช่ครับเต็มแรยเลยทะลุเข้าไปหลังจากนั้นมาก็ก็ใช้ใช้ชีวิตตามปกตินะครับใช้ชีวิตตามปกติแม่ก็เหมือนจะแบบผ่านมาประมาณวันสองวันนะครับแม่ก็ไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้แล้ะ แต่ก็ยังมีคุยกันในระวแวกบ้านกันอยู่นะครั บ, รบก็ทําทํานากันแล้วก็กลับมากินข้าวกินปลาอาบน้ําเข้านอนดูทีวีแล้วเข้านอนไปนะครับกลางดึกคืนนั้นเงียบสงบทุกคนหลับกันหมดแล้วอยู่ดีๆแม่สะดุ้งตื่นครับแม่เขาเล่าให้ฟังหลังจากนี้เป็นเรื่องที่แม่เล่าให้ฟังแล้วนะเราะว่าวพ่อเขาไม่รู้ะแม่เล่าให้ฟังว่าตอนกลางคืน่ะอยู่ดีๆแม่สะดุ้งตื่นมา เหมือนว่าสะดุ้งตื่นแต่ไม่ได้ลุกขึ้นมาก็ยังนอนละลืมตายอยู่อในความเงียบนั่นแหะแม่บอกว่าได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ครับเหมือนเดิมเลยเหมือนวันที่เกิดเหตุเลยแอน อ, อย่างเงี้ยพี่ครับแล้วพอมันใกล้ๆถึงหน้าบ้านก็ได้ยินเสียง ม, ยมอเตอร์ไซค์ล้มอืออเสียงมอเตอร์ไซค์ล้มดังครุ้งแต่ไม่หมดเลยทีนี้แม่ไม่ได้หลับเนี่ยครับแม่ตื่นอยู่มแม่ก็เลยพยายามลุกขึ้นมา แล้วก็เปิดหน้าต่างไม้เพื่มาดูรจริงๆก็กลัวนะแต่โดยที่นี่ใสอย่างนะอยากรู้ก็เลยเปิดประตูมาดูเปิดประตูหน้าเติดหน้าต่างครับหน้าต่างไม้เปิดออกมาดูปรากฏว่าที่เขาเห็นเนี่ยก็คือมอเตอร์ไซค์ล้มมันมีมอเตอร์ไซค์จริงๆเป็นมอเตอร์ไซค์ล้มและที่สำคัญกว่านั้นนะคื อ, อ, เ, หอ เ, เห็นผู้ชายคนนั้ น, นถูกเสียบอยู่เหมือนเดิมเห็นผู้ชายคนนั้นถูกเสียบอยู่ แม่ก็เอ๊ะสงสัยตาฝาดก็พยายามมองคุ้งไปเรื่อยๆมองเข้าไปดีๆปรากว่าผู้ชา ย, ยางนั้นนะพี่เขาขยับตัวแล้วพยายามกระเสือกกระสนตัวเองอหลุดออกมาจากไอ้ไอแท่งเหล็กนั่นแหละพอหลุดเสร็จตัวเองก็หลุดลงมาแล้วก็เคลานไปที่มอไซแล้วจับมอไซขึ้นมาแล้วเข็น พอเข็นเสร็จเขาเข็นไปทางไหนไปดู้แล้วหายไปในความมืดเลยโอ้โ ห, โหคุณรู้ว่ะแม่ก็ตกใจแม่กระตกใจก็รีบปลุปกพ่อบอกพ่อมึงพ่อมึงตื่นตื่นพ่อมึงตื่นเ ข, นขาก็ไม่ตื่นเขาก็งงเงี้ยตื่นเร็วตื่นเร็วเจอผีเจอผีอือกพ่อเขาก็ตื่นมาอะไรมันดึกๆ่นแล้วมันมันไม่มีอะไรหลอกคิดมากหรือเปล่าไปดูแล้วจําภาพมาอะไ ร, ร, รอย่างเงี้ยนอนนอนนออย่างเงี้ยแม่เขาก็คุมโปง พาถามว่าคืนนั้นหลับไหมก็ไม่หลับจนถึงประมาณเกือบรุ่งเช้าถึงจะหลับแล้วต<บ>ื่นเช้ามาครับตื่นเช้ามาเขาก็ไปหาเพื่อนบ้านเลยอแล้วก็ไปเล่าเหตุการณ์เมื่อคืนที่เขาเจอให้ฟังครับปรากฏว่าเพื่อนบ้านบอกเขาได้ยินเหมือนกันเขาได้ยินเหมือนกัน เ, ออเขาบอกว่านี่เธอฉันได้ยินเหมือนกันโอ้โหฉันได้ยินแบบ ไล่มาตั้งแต่ไกลไง น, นะทางที่อบตอเขาจัดงานเลี้ส์ของนั้นเลยแล้วก็มาล้มหน้าบ้านแถวๆหน้าบ้านเรานี่แหละเอาไปเล่ากัน<ๆ>เล่ากันต่อๆกันมามีบางคนก็บอกว่าเ อ, อเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งฉะชนิ่มังได้เห็นนะเป็นผู้ชายคนนึ่งออกมายิงอยู่หน้าบ้านแล้วมากดออดเรียออืบซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายคนนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยอ๋อ แล้เล่ากันไปมันเป็นเรื่องเมาส์ของทางในบ้านของนั้นนะทางระแวกนั้เลยนะฮ ะ, ะนะครับเออก็จบกันเมาส์ไปครัแล้วก็ไปทํางานกันต่อก็ทาํางานทําอะไรก็ลืมเรื่องนี้กันไปเพราะว่าทำนานะครับหลังจากนั้นกลับมาก็คือที่สองจะคืนที่สองครับแม่ก็หลับไม่ลงเพราะไม่รู้ว่าคืนนี้จะเจออะไรอีกหรือเปล่าก็พยายามหลับปิดตาหลับหลับหลับไปหลับมานะครับอยู่ดีๆอ่ะ ประตูหน้าห้องนอนอ่ะเคาะมันมีคนเคาะดึกดื่นเฮ้ยแม่ก็ถามว่าใครครับหลานเขาเขาพูดออกมาบอกย่าหนูเองเอามีอะไรดึกแล้วทําไมตื่นมานอนครับฮะตื่นมาทําไมไม่นอนอย่างเงี้ยเป็นหลานเป็นหลานที่มาเคาะประตูใช่ครับคือ ที่บ้านเนี่ยจะมีห้องนอนสองห้องหลานก็จะนอนอีกห้องหนึ่งนะครับส่วนพ่อกับแม่ก็จะหน่อยห้องหนึ่งและหลานเขมาเคาะประตูยาเขาก็เขาก็ดุกันฮะบอกว่าทําไมยังไม่นอนดึกกว่านี้แล้วก็บอกว่าหนูหนูโน่หูอ้วนหง่หูอะไรอ่ะมีคนมากดออดหน้าบ้านตมงหลายครั้งทําไมไม่ลงไปเปิดประตูให้เท่านั้นหลยยาแม่เขาก็เลยขนลุกเขาก็เลยเดินขึ้นไปกินปากรับพยายามเปิดหน้าต่างก็ไม่มีใครอ่าก็ไม่มีใคร ก็บอกว่าไม่มีไม่ ม, มีมีเสียงที่ไหนล่ะไปไปไปฝันละครับก็เลยพ า, ล, าล์ละกลับไปนอนหลังเขาก็กลับไปนอ น, า น, า น, อนตามปกติทีนี้ <c oughs> เริ่มหวันละกัเกียงออดกับเกษยงมอตร์ไซค์แม่ก็ยิงหลับไม่ลงแต่ก็พยายามฝืนหลับนะครับครับอฮ <c oughs> แม่ก็บอกว่าหลังจากนั้น่ไม่นานหลับหลับนอนแป๊บเดียวแล้วก็หลับพอหลับเสร็จเขาได้ยินเสียงเหมือนเดิมเลยคือเป็นมอเตอ์ไซค์ขับมาจากทางไครๆนะอ อย่างเงี้ยพี่ อ, อออเแล้วสําคัญคือมันล้มตรงที่เดิมจุดเดิมครับจุดเดิมทีเนี้ยแม่ก็เลยเปิดหน้าต่างเงี้ยด้วยความที่อยากรู้ว่า<อ>จริงจแล้วเนี้ยสิ่งที่เขาเห็นะ่ะมันจะเหมือนทักแรกที่เขาเห็นหรือเปล่า<อ>เปิพี่เหมือนเดิมเลยครับแม่เขาบอกว่าผู้ชายคนนั้นะ่ะถูกเสียบแล้วค่อยๆดึงตัวเองออกมาจากแท่งเหลนะ็กน<อ>ั่นแล้วก็เห็นมอเตอร์ไหายไปในความมืดเหมือนเดิมทีนี้แม่เขาก็ไม่ได้ปลุกพ่อนะ ออกกนอนแล้วก็กลุ่มปงจนเช้ารุ่งเช้ามาเขาก็เลยลงไปแล้วก็ไปเล่าให้แบบชาวบ้านฟังปรากฏว<ม>่ า, าไม่มีใครอยู่บ้านสักคนเลยครับอะะฮในโรงแมกนั้นไม่มีใครอยู่บ้านสักคนรอสักพักหนึ่งก็จะมีบรรดาพวกขึ้นบ้านอะ่ะก็ขับรถรถอะไรนะรถอิดแตนหรือรถแท็่ อ, อะไรสักอย่างเลยครับขับเข้ามาเพื่อเชิญเชิญมาทำงานง<ม>ในในนาตอนนั่นแหก็บอกว่าเนี่ยชาวมันลอยอย่างนานไปไหน้แต่เช้าเขาไปใงเมืองเหรอครับ บอกเปล่าไปตั้งแต่เย็นเมื่อวานเนี่แหละเขาไปเขาไปเช่าพักห้องพักในเมืองอย่างเงี้ยอเขาบอกอย่างเงี้ว่าเอ้าทำไมต้องไปเช่าห้องพักในเมืองเขาบอกว่าตอนนั้งคืนน่ะเขาได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ล้มคือเปิดกันเลยเขารู้สึกว่าเขากลัวเขาทนไม่ไหวครับครับเออซึ่งเดี๋ยวเย็นเนี่ยพอหลังจากทํานาเสร็จเย็นเนี้ยเขาก็จะไปพักในเมืองเหมือนเดิมแหละเขาไม่พักที่บ้านเพราะเขากลัวกันนะฮะก็ แม่ให้เขตกใจนะแต่ก็ปนสงสัยว่าทําไมว่าเพราะอะไรอะไรยังไงก็ทํานาต่อไปนะครับจนวันที่สามนี่แหละคือตกกลางคืนตกเย็ยนแล้วแนะ่ะทุกคนนะ่ขับรถเข้าไปในเมืองแล้หมดเลยในหมู่บ้านเรแวกนั้นเพื่อไปเช่าผ้าห้องพักที่อยู่ในเมืองครนะฮะ uh huh. มันกลายเป็นว่าห้องเออบ้านพ่อกับแม่เนี่ยเป็นบ้านหลังเดียวที่ยังอยู่ที่มีคนอยู่โอ้โหที่เหลือคือชาวบ้านคนอื่นๆไม่มีใครอยู่แล้ว ไม่มีใครอยู่แล้วครับไม่มีใครอยู่แล้วมาคืนที่สามเหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมเลยได้ยินเสียงเหมือนเดิมคราวนี้แม่เขาตั้งใจเลยว่าจะต้องปลุกปลุกพ่อเขาอ่ะให้ตื่นขึ้นมาฟังให้ได้นะครับเขาก็พยายามปลุกปลุกุกุกตบทั้งตบทั้งอะไรเงี้ยจนพ่อเขาก็ตื่นขึนมาอ้ามีอะไรเนี่ยได้ยินเสียงไหมในจังหวะที่บอกได้ยินเสียงไหมคือมันเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์อะเข้ามาจากทางใครับพอนยีเตะเตะเลย พ่อเขาบอกว่าอืเนี่ยพ่อก็าได้ยินเสียงเป๊ะเลยนะ่ uh. แล้วก็ได้ยินเสีงยงมอเตอร์ไซค์ล้พอล้มเสร็จพ่อกับแม่เนี่ยก็เลยแบบขึ้นไปตรงหน้าต่างอรัพี่แล้วค่อยเปิดหน้าต่างไม้ออกมาครนะครับในจังหวะที่เปิดหน้าต่างไม้อะ่ะคือแม่เขาบอกว่าช่วงนั้นอะ่ะฝนมันกําลังจะตกลมมันแรงพอลมมันแรงเสร็จลมมันไปตีตรงหน้าต่างออืพอหน้าต่างหน้าต่างมันก็ไปตี ติด ก, กับข้างฝาพี่แล้วมันแน่สนิทอยู่ตรงนั้นเลยมเหมือนไบปีกเกี่ยวอะไรสักอย่างมันทําให้หน้าตา ม, มาหน้าต่าง ม, มันถูกเปิดออกครับแล้วค้างอยู่อย่างนั้นทาํทาไงล่ะทันนี้มันไม่มีมุงรูดด้วยครับพ่อกับแม่ก็เลยยื่นหัวขึ้นมาแล้วก็ไปดูปรากฏว่าสิ่งที่เห็นก็คือเหมือนเดิมอพี่อืก็คือเป็นผู้ชายคนนั้นนะ่ะถึกเสียดอยู่แล้วก็ค่อยดังด้งลงมาจากไอ้แท่งเสียดแล้วนะแล้วก็ถูกคลางแต่คราวเนี้ยเขา แม่เขาบอกนะครับคราวนี้ยเขาไม่ได้ขางะที่มอเซอร์ไซค์เขาพยายามยืนขึ้นอแล้วค่อยๆเดินมาช้าๆที่ประตูหน้าบ้านเฮ้ยมาบ้านเลยเหรอใช่ครับประตูหน้าบ้านแล้วที่สําคัญขัาดนั้นคือพอหลังจากเดินมาะตูหน้าบ้านเสร็จเขายืนเฉยๆแล้วค่อยๆหันหน้าขึ้นไปมองบนชั้นสองอ่าฮะที่พ่อกับแม่เขาพยายามมองอยู่อ่าคุณบอย คุณบอยคุณบอยฮะเฮ้ยสัญญาณสัญญาณคุณบอยหายไปฮะหายไปนิ่งๆเลยครับหายไปเงียบๆเยบฉยเลยพิบัตตต่อเลยฮะเดี๋ยวให้พิบัตตต่อไปที่สายของคุณบอยนะครับกาลังคุยคุยกันอยู่แล้วปรากฏว่าสัญญาณคุณบอยถูกตัดไปครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะ อ, าอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับอยู่จากเวลาตรงนี้นี่ก็งวดเข้ามาแล้วฮะเดี๋ยวผมเกรงว่าเดี๋ยวตีสอในสัญญาณมาจะล่มอีกนะครับอ่านะครับดูเหมือนว่าตอนนี้เรากลับไปที่สายของคุณบอยครับคุณบอยเขับผมพี่เป็นไรอะ่ะผมไม่ทราบเหมือนกันพี ย, ย, ยูดีๆ <c oughs> มันมั น, ม, น, ม, นมันเงียบหายไปเลยนะใช่ครับยูดีๆ<อ>เสียงที้ก็หายไปแล้วผมได้ยินเสียงเหมือนแล้วก็ดับไปเลยโอ้ผมไม่ได้ยินอะไรเลย แต่ ไ, ได้ยินเสียงเหมือนตัดโทรศัพท์ดังตึ๊ดแล้วก็ตื๊ดตื๊ดตื๊ดไปกำลังตื่นเต้นเลยเขากําลังมาที่ประตูบ้านอ่ะใช่ครับออันนี้ฝนต ก, ก, นตกปะเนี่ยอะไรนะครับฝนตกปะปล่อยๆแล้วพี่อ๋อปล่อยน ะ, ะย โ, อโอเคโอเคโอเคอ่ะอนะฮะก็ผู้ชายคนนั้นะเขาเมายืนอยู่ตรงหน้าบ้านครับแล้วเขาแล้วเาก็เงยหน้ามองขึ้นมาบนชั้นสองที่พ่อกับแม่เขาอยู่ตรงหน้าต่างนะครับ คือในความมืดอ่ะพ่อกับแม่มองไม่เห็นหรอกว่าหน้าตาเขาเป็นยังไอองอะไรยังไงแต่รู้ว่าเขากําลังมองขึ้นมาเดีว่ารู้น่าว่าพ่อกับแม่มองเขาอยู่อืออะไรเงี้ยพ่อกับแม่ก็ตกใจลงใบแล้วเขาผ้าคลุมพ่อข่มนี่ลุมโป่งนอนกอดกันเช้าเลยอนะครับรุ่งเช้ามาเนี่ยคือพ่อกับแม่เนี่ยไม่ไหวแล้วเก็บเสื้อผ้าเลยอเก็บเสื้อผ้าเลยบอกว่าไม่อยู่และวไม่อยู่แล้แล <ell> เดีย๋ยวจะไปจะไปเช่าห้องพัก เดิอยู<ม>่ยยในเบืองบ้างอะไรเงี้ยตามเพื่อนบ้านไปก็ขนสุ้งพวงเสื้อผ้าลงมาแล้วก็ของเสื้อผ้าของหลานะฮะลงมาแล้วก็เอารถออกครับปรากฏว่าเอพวกเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็มากันพอดีมามามาจากในเมืองนะฮะเข้ามาในบ้านเพื่อจะเอาุปกรณ์แล้วก็ไปทํานานะครับ<ม>แล้วบังเอิญว่าเอมีช่างนะครับมาซ่อมไอ้รถเครื่องนั้นนะ่ะ<ม>ซ่อมเสร็จพอดีเลยแล้วก็กําลังจะรถออกไป<ม>อย่างเงี้ยครับ เออเสร็จแล้วหลังจากนั้นคือเขาก็คุยเรื่องเนี้ยให้กับเพื่อนบ้านฟังเพื่อนบาของเนี่ยเขาก็เจอเหมือนกันนู่นนี่นั่นคือกลายเป็นเรื่องเม้าอยู่ในหมู่บ้านอจนคุยไปคุยมาเสร็จพ่อกับแม่ก็เลยตัดสินใจว่าอเอานะเอาอีกสักคืนหนึ่งดูซิสักคืนนี้มันจะเจออีกไหมอะไรยังไง<อ>ถ้าเจออีกก็คงต้องไปทาบุญล้างซวยกันเลยทีเดียวอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ต้องมีมวนพากมามาสุกมาสวดแทดกไ็ได้ไม่มีใครมาทําอะไรตรงนี้ให้ออะฮะ ก็ตัดสินใจอยู่นอนอยู่กันอินชืนึงก็ปรากฏว่าคืนนั้นก็เงียบก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอออืฮ uh huh. ทุกอย่างมันเงียบหายไปมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีเสียงมอเตอร์ไซค์เลย uh huh. พ่อกับแม่เขบอกว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับอีรถ เ, เครื่องทางนั้นแน่แนเลยออะไรเงี้ยคือพ่อกับแม่เขาก็บอกว่าคือก็อยากรู้นะว่า จริงๆล้วสิ่งที่แกเจอเนี่ยจริงๆมันคือผีผีแบบนั้นอะอย่างนั้นอะเขาเรียกว่าผีใช่ไหมก็ต้องตังต้งงแต่แกเกิดมานะฮะจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีลูกสองคนแล้วมีหลาน<อ>แกบอกแกไม่เคยเจอผีเลยนะคเพราะแกต้องเข้าไปที่เข้าไปที่นาฮะที่นาทํานาบางทีต้องไปสุกน้ําต้องแบบเนี้ยตีสองตีสามก็ต้องเข้าไปและนาที่เข้าไปคนเดียวดึกๆๆๆครับแล้วก็ไปนองแบบกระทอมปลายนาอะไรเงี้ยออ เขาก็ไม่เจออะไระแต่มาครั้งเนี้ยคือพอเจอทําให้เขารู้สึกว่าเออผีมีจริงอืออืออือโอ เ, เจอลักษณะแบบนั้นก็ผมว่ามั น, ม, นมันคงไม่ใช่โคนแหละก็คือมันไม่ใช่โคนฟังจากเหตุการณ์ที่คุณบอยเล่าอ่ะเหมือนกับว่าเขายังต้องทําอะไรซ้ำซ้ำ ซ, ำ ซ, ำ ซ, ำ ซ, ำซากๆอยู่แบบนั้นน่ะออืทุกวันทุกวันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยอะฮะโอ้แต่เหตุการณ์นี้มันหายไปพร้อมกับรถคันนั้นที่ถูกเคลื่อนย้ายออกไปใช่ครับรถคันนั้นเคลื่อนย้ายออกไปหลังจากนั้นก็ไม่เคย เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกเลยตรงนั้นะอาจจะไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้แต่รถคันนั้นไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ครับมันจ ะ, ม, ม, จะมีอะไรเกิดขึ้นตามมาอีกหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้ได้โ อ, อ้ไม่มีใครคาดได้เลยพว่ามันเป็นจุดสุดท้ายที่เหมือนกับว่าโอเคเอาแควขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็วเมาด้วยแล้วก็มาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตตรงตรงตรงตรงรถคันนี้พอดีเท่ากับว่าเหมือนกับว่าเขาก็ยังคงติดอยู่ ในบ่วงของของของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับรถคันนี้ด้วยเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไปพร้อมกับรถคันเนี้ยเฮ้ยเป็นไปได้นะคุณบอยอาจจะเกี่ยวไปกับรถคันนี้ได้เพราะมันบังเอิญไหมว่าที่บอกว่าพอย้ายเคลื่อนย้ายรถคันนี้ออกไปเสร็จปุ๊บแล้วเหตุการณ์มันก็กลับมาเข้ามาสู่ในโหมดปกติใช่พี่อ้แต่สำคัญนะพี่ตรงบริเวณนั้นอ่ะคือมันยังมีรอยเลือดอยู่นะคับ มันจะมีรอยเลือดมันเป็นรอยดงๆดำๆ อ, อยู่ตรงนั้นอยู่ซึ่งเขาบอกว่าล้างไงก็ล้างไม่ออกครับอ่ะฮะครับโอ้โห ม, มีรอยเลือดอยู่ด้วยนะอย่างพี่รอยเลือดอยูโอ่โอ้โหนี่คือเรื่องที่คุณแม่ของเพื่อนเล่าให้ฟังกับเหตุการณ์ที่เขาก็ยังค้างคาใจในตอนแรกว่าตกลงสิ่งที่เขาเจอเนี่ยเอ้ยผีลักษณะเป็นแบบนี้เหรอผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าเฮ้ยถ้าคุณพ่อคุณแม่เจอลักษณะแบบนี้เนี่ย ยังไงก็ต้องผีลหละคนไม่มีทางทำอย่างนี้ได้แน่นอนอ่ะไม่ใคร<อ>ใครจะโดนเสียบแล้วดีๆสุดตัว อ, ออกมาก็ใช่ไงสิใช่ไหมพี่แล้วมาเตือนเข็นมอเตอร์ไซค์เข้าไปในความมือดอีกอนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอุทาหรณ์เตือนใจไว้เลยนะครับว่าเรื่องของการใช้สติสัมปชัญญะในการขับรถยิ่งเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับฝนตกตกอาการเมาด้วยแล้วขี่รถเร็วด้วยเนี่ย โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุผมให้เป็น99เปอร์เซ็นมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถูกต้อง1เปอร์ซ็นเนี่ยถ้ารอดไปได้ถือว่าโชคดีนะฮะแต่99เปอร์ซ็นตเนี่ยโมันมีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอนเพราะอย่าลืมว่าองค์ประกอบมันมาครบไงนะครับขี่รถเร็วฝนตกหนักและก็ที่สำคัญคือเมาเมาใช่เมาด้วยคือเหตุคือเหตุที่ที่น่าจะเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดอ่าใช่เ โอ้นะครับสนุกตื่นเต้นเหมือนเดิมคุณบอยครับเรื่องของเมาดับชีพเรื่องนี้นะฮะเรื่องที่อโอ้โหต้องบอกว่าเป็นการทรมานตัวเองซ้ำาๆซักซากทำแบบเดิมเดิมทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันก็ยังไม่รู้นะครับว่าทุกวันนี้คือดวงวิญาณเขาจะอยู่บนรถผมว่ า, าอันนี้นะมันแบบปัจจุบันทันด่วนด้วยนะเขายังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขาตายไปแล้วอ่ะ มันมันมันแค่เสี้ยววินาทีมันวูบเดียวอ่ะถูกไหมมันขี่มาเร็วแล้วมันตุ้มแล้วตายเลยเออเนี่ยอันตรายฮะอันนี้สำคัญที่สุดเลยเรื่องของความไม่ประมาทช่โอเคได้ฮะคุณบอยนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะ ครับผมเรื่องราวทั้งหมดครับได้ครคุณบอยยังไงขอบคุณมากๆที่คืนนี้มาปิดท้ายให้กับ The ะโกสเลดี้โก่อนที่เราจะหยุดกันไปทั้งหมดเนี่ยสองสัปดาห์ด้วยกันอ๋อแล้วครับเริ่มมาอีกทีนึ่งต้องฟังย้อนหลังต้องฟังย้อนหลังเอานะฮะก็ไม่แย่หรอกครับมันเป็นเรื่องตามธรรมเนียมตอนนี้อยู่แล้วที่ทั้งหมดเลยต้องต้องหยุดเรื่องของความบันเทิงไว้ก่อนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงของความเศร้าโศกเสียใจกันทั้งประเทศอ่ะเนาะ ใช่ครับโอเคได้ฮะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันในเสาแรกของเดือนพฤศจิกายนโอ้ได้ครับนะโอเคได้ครับคุณบอยยังไงขอบพระคุณมากๆนะขอบคุณมากครับแล้วความสุขภาพด้วยสิพี่เช่นเดียวกันครับครับผมสวัสดีครับดีครับ The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winders Gas Gas ฝากง่ายจ่ายคงการันตีการเงิน Yeah. <laughs>